ในพุทธวักปัญหาที่หกนะนะหน้าสี่สิบสามกล่าวถึงพผ้ารหันตะเวทนาเวทยณนะ เ, เวททยนะปัญหา <c oughs> พระเจ้ามิรินกลับเรียนถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้านาคเษนพวกท่านกล่าวกันว่าพผ้ารหัน์เสวยเวทนาอย่างเดียวคือเสวยเวทนาทางกาย มิได้เสวยเวทนาทางใจดังนี้พระคุณเจ้าหน้าเกษเจ็บของพระอาหารหันต์อาศัยกายใดเป็นไปพระอาหารหันต์มิได้เป็นใหญ่มิได้เป็นเจ้าของมิได้มีอำนาจเป็นไปในกายนั้นหรืออย่างไรคำว่าเสวยเวทนาแปลว่าความเจ็บปวดเนี่ยนะพระอาหารหันต์นั้นมีความเจ็บปวดทางร่างกายแต่ไม่มีความเจ็บปวดทางจิตใจ คือใจของท่านไม่เจ็บจะด้วยเหตุผลใดท่านจะไม่เจ็บใจแต่ร่างกายเนี่ยนะธรรมดาร่างกายของท่านก็ยังมีความเจ็บปวดทีนี้เมื่อร่างกายของท่านยังมีความเจ็บปวดอยู่นี่คำถามว่าท่านไม่เป็นใหญ่ในร่างกายเลยหรือเนี่ยนะอย่างเช่นพระฐานรูปหนึ่งในนะที่ไปในเรือนของสกุลช่างแก้ว ก็คือเป็นพระที่ไปฉันประจำตระกูลเป็นพระเข้าไปไปฉันบ้านเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันก็ว่าคุ้นเคยในตระกูลช่างแก้วก็คือช่างพลอยนะช่างเจรานายพลอยช่างอะไรเนะี่ยก็เข้าไปฉันนี่มีวันหนึ่งราชบุตรก็เอาเอาแก้วเป็นพลอยชันดีหรือเป็นต้นเนี่ยไปให้กับนายช่างแก้วบอกว่าช่วยเจรานายให้ทีนะเจรานายให้ทีเพื่อที่จะถวายพระราชา ช่างแก้วเนี่ยตอนนั้นกําลังหั่นเนื้ออยู่กําลังทํากับข้าวกําลังหั่นเนื้อทีนี้ใช้มือเปื้อนเลือดเนี่ยจับแก้วแล้วก็วางวางไว้ใกล้ใแล้วก็ทํากับข้าวต่อเสร็จแล้วก็นกที่บ้านเขาเลี้ยงนกกระเรียนไว้ตัวนกกระเรียนมาถึงก็ได้กลิ่นนะนะแล้วมันเปื้อนเลือดด้วยมันก็กลืนเข้าไปเก็บกลืนเข้าไปทีนี้ผ้าหั่นวันนั้นเนี่ยท่านก็นั่งนั่งอยู่ด้วยท่านก็มองเห็นตลอดเลย ถ้าเห็นเหตุการณ์ตลอดแล้วทั้งก็ น, นั่งดูไปนายช่างแก้วทํากับข้าวทําไปทํามาเลี้ยวดูแก้วหายแก้วคอขาดแน่งานนี่ทํำยังไงละ่ะก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็มีอยู่แค่สองสามคนถามภรรยาว่าเธอเอาไหมบอกไม่ได้เอาไปถามพระบอกพระคุณเจ้าเอาไปหรือเปล่าบอกไม่ได้เอาแต่พลอยมันหายอ่ะคือเพชรพลอยมันหายอ่ะแล้วคอขาดคดีนี้คอขาดอย่างเดียวทํายังไงดีนาะคันีทุกมากทุกหนักเข้าหนักเข้า ท่านเอาเขาบอกผมเถอะผมไม่ว่าหรอกขอให้คืนให้ผมเถอะอัตมาไม่ได้เอาท่านจะบอกหรือไม่บอกว่าท่านเอาท่านเอาไปว่ามันไหนบอกไม่ได้เอาท่านก็ใช้คําว่าเดียวไม่เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาแต่เหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยที่เกิดขึ้นท่านเห็นแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอยงนี้เพราะเขาไม่ได้ถามว่าท่านเห็นมันไปยังไงอะไรเง้ขาไม่ได้สอบถามอะไรท่านเอาใช่ไหมก็ไม่รู้จะถามว่ายังไงอ่ะนะ มันก็มีคนอยู่เท่านั้นน่ะที่เหลือมก็เป็นสัตว์มันจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วก็ในที่สุดก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยบีบบังคับพระโดยประการต่างๆในที่สุดเอาเชือกเนี่ยนะมาสวมที่หัวแล้วก็เอาไม้มารัดคล้ายๆกับขันเกลียวอะ่ะขันเกลียวก็ขันมันจะบอกหรือไม่บอกไม่บอกไม่อนนะ่ะขวามาไม่ได้เอาแล้ก็ขันรัดเข้าไปเรื่อยๆจนแค่ว่าเลือดนี่พุ่งเลยนะตาเนี่ยแทบถลนออกมานอกเบ้า ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เอาแต่ในที่สุดเนี่ยเลือดมันก็ไหลอาบนกมันก็ได้กลิ่นเลือดมันก็วิ่งมาจะจะจะมา จ, ากจากิกกินเลือดเนี่ยนะนายช่างแก้วเนี่ยความที่โมโหโกรธจัดอยู่นั่นแล้วก็เลยตัาบเข้าที่การคอเลยคอหักตายนกกระเรียนตัวนั้นคอหักตายพระพอมองเห็น น, นะพอมองเห็นอยู่เบลอๆนะเพราะว่าท่านไม่เจ็บใจอยู่แล้วใจของท่านไม่มีโทสะท่านมีแต่ความเจ็บทางร่างกายท่านก็บอก อุบาสกชื่อคลายหน่อยซิว่าดูดูซิว่านกตายอย่างบอกเดี๋ยวท่านก็ตายเหมือนนกแหละเออนกมึกลืนท่านบอกถ้าหากว่ามันไม่ตายอนามัยจะตายก็ไม่บอกเนี่ยนะแต่ได้รู้ว่านกตายแล้วจึงบอกเขาเนี่ยแหมเขาอ่อนเลยแล้วก็ไปรีบไปผ่าท้องนกดูแล้วมันก็อยู่ในนั้นจริงๆขอโทษพระใหญ่เลยเนะีย ขอโทษขอพอใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าตั้งกันนี้ไปเนี่ยนะท่าไม่ไม่ไม่ฉันบ้านใครทั้งนั้นนะจะบินทบัตฉันเนี่ยโทษของการเข้าไปสู่ตระกูลอัไรเง้นแต่ท่านก็ไม่เคยเข้าไปนั่งฉันบ้านใครอีกต่อไปตั้งกันนั้นแต่ก็อยู่ไม่นานน่ะนะก็ปรินิพานแต่ว่าภริยาของนายช่างแก้วเนี่ยขอร้องตลอดว่าอย่าไปทําท่านเลยท่านไม่ได้เอารอกแต่ท่านเอาจริงท่านไม่ทำนี่อย่างนี้ลอกอะไรเงี้นะก็ขอร้องยังไงก็ไม่เป็นผล แต่ว่าตอนหลังก็พริยานาช่างแก้วก็มีท้องนะนกกรเรียนเนี่ยไปเกิดในท้องของภริยาช่างแก้วนะผ้าหันก็ปรินิพานนกกรเรียนก็ไปเกิดในพริยาช่างแก้วช่างแก้วก็ตกนรกตามสูตรเนี่ยนะถือว่าอนันตรียกรรมเพราะมีเจตนาฆ่าผ้าหัน์ขณะนั้นยังไม่ตายก็จริงแต่หลังจากนั้นพระ้าหันก็ปรินิพานมันก็นาช่างแก้วก็เลย นรนนนะตผมเข้าใจนะเข้าใจว่าท่านไพูดว่ากลัวผิดศีตท่านกลัวความจริงนนงายท่านกลัวผิดศีมัน ต, ตรงนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราดูแล้วว่าพระทหารเองก็ยังมีความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่พระองค์ก่อนจะดับขันทาปรินิพานเนี่ยอาเจียนอาแค่ว่าถ่ายออกมาเป็นเลือดตลอดเกือบตลอดทางเลยนะเดินไปหน่อยหนึ่งก็บอกเหนื่อยเราจะพกัก น, นะ เราเหนื่อยเราจะพักก่อนเราจะนอนนอนพอมีแรงเลยก็ไปต่อแต่จริงๆเนี่ยพระองค์ทําให้มีพละงมีกําลังมีเรี่ยวมีแรงต่อไปเลยพระองค์ทําได้ไหมได้แต่เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยอธิษฐานเพื่อจับปริญญนิพพานในเวลานั้นเพราะถ้าเกิดไปปรับปรุงอย่างใดอย่างหนึ่งแั๊บยังไง ร, ร่างกายมันก็จะมีชีวิตอยู่เป็นต้นเนี่ยนะท่านจะไม่ทำํำ น, นะพระองค์จะไม่ทําเพราะว่าได้ปฏิญาอดไ ด, ได้อะไรนะ ลงมาายุสังขารเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะจะต้องปรินิพพานแล้วก็จะไม่พยายามที่จะบำรุงให้มันยืดต่อไปกว่า น, นั้นนั่นก็ระหว่างนั้นก็มีความเจ็บปวดทางร่างกายมากแต่พระองค์ก็ไม่ได้เสียใจหรือเจ็บใจเหล่าใดแม้แต่นิดเดียวท่นนานร่หาหันนั้นเออก็ยังมีความเจ็บทางร่างกายทีนี้พระนาคเกษก็ถามว่าผ่าหันไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นเจ้าของไม่มีอำนาจในกายเลยหรือถูกต้องมหาภพ ใช่พระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในไม่ได้เป็นใหญ่ในอำนาจคือกายเลยพระคุณเจ้าข้อที่พระหน้าเกษนั้นข้อที่พระอรหันต์เนี่ยนะมิได้เป็นใหญ่มิได้เป็นเจ้าของไม่มีไม่มีอำนาจเป็นไปในกายที่เป็นไปสำหรับจิตของตนนี้ไม่สมควรเลยมันไม่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้อะนะปกติกายใครมันกระจก็ต้องเป็นเจ้าของอะนะ แต่อย่างนี้ก็บอกว่ากายเป็นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใจมันก็ต้องเป็นเจ้าของแหละว่า ง, งั้นมันก็น่าจะควบคุมได้พระขุนเจ้าแม้แต่นกอาศัยอยู่ประจําในรังไหนก็ย่อมเป็นใหญ่เป็นเจ้าของมีอํานาจเป็นใหญ่ในรังนั้นเพราะในฐานะเจ้าของขนาดนกมันยังเป็นเจ้าของรงังแล้วอาจจิตของพระอรหันต์จะไม่เป็นใหญ่ในกายได้อย่างไรอันนี้ปัญหา พระนาเกษมก็ตอบว่าขอถวายพระพรทรมาสิบอย่างเหล่านี้คล้อยตามกายเล่นไปตามกายแปรเปลี่ยนไปตามกายทุกๆุกภพชาติที่เกิดเกิดกี่ครั้งกี่ครั้งขอให้เกิดเป็นมนุษย์จะต้องมีสิ่งสิบประการไล่ไปเรียกว่าภาระสิบอย่างที่ทุกคนจะต้องรับขอให้ได้เกิดเถอะสิบอย่างอะไรบ้างก็คือหนึ่งต้องเย็นถ้ามีกายมันต้องเย็นแนละร้อนเพราะอะไรเพราะกายเนี่ยปฐวี เอาเข้าไปเตโชผดทับ พ, พารมมีอยู่จะต้องมีเย็นมีร้อนอยู่แล้วมีหิวมีกระหายเนี่ยนะก็เรียกว่าทวานคอเนี่ยนะทวานปากทวานคอก็ย่อมนามาซึ่งความหิวความกระหายทวานหนักทวาลเบาก็นามาซึ่งปวดอุจาระปัสสาวะร่างกายก็มีง่วงนะถ้ามันแบบเปลียไปมันก็ง่วงธรรมดาหรือไม่ก็แก่ธรรมดาป่วยธรรมดาในที่สุดก็ ตายนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เวียนไปตามร่างกายเหล่านี้กายของผู้นั้นโดยที่สุดแม้แต่กายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถูกทำสิบประการเนี่ยนะเวียนเข้าไปกระทบกระทบกับสิ่งสิบประการขอถวายพระพรทำสิบอย่างเหล่านี้คล้อยไปตามกายเล่นไปตามกายแปลเปลี่ยนไปตามกายทุกภพที่เกิดเพราะฉะนั้นพระตุหันจึงไม่ได้เป็นใหญ่มิได้เป็นเจ้าของมิได้เป็น ไม่ได้มีอำนาจเป็นไปในกายแปลว่าอะไรความเย็นเป็นเจ้าของกายความร้อนเป็นเจ้าของกายความหิวเป็นเจ้าของกายความกระหายเป็นเจ้าของกายอุจจาระปัสสาวะก็เป็นเจ้าของกายความง่วงความแก่ความป ledge, วามา่วยความตายก็เป็นเจ้าของกาย e i, พระเจ้ามิลินก็ตรัสต่อไปว่าพระกุณเจ้าเพราะเหตุใรพระอรหันต์จึงหาอานาจหรือความเป็นใหญ่ในกายไม่ได้เลาทาไม ท่าหันน่าจะเป็นเป็นใหญ่ในร่างกายใช่หมน่าจะมีอำนาจเหนือกายขอท่านจงบอกเหตุผลข้อที่ว่านั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดทำไมท่าหันไม่มีอำนาจเหนือร่างกายแต่ถ้าเป็นของพวกเรานี้จะตอบก็เพราะทำมันเป็นอนัตตาไงเชื่อไหมท่านไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยไม่พูดถึงคำนี้แม้แต่คำเดียวใช่หมไม่มีอันนี้จังทุกขังอนัตตาใครจะเป็นอำนาจของใครไม่มีคาตอบประเภทนี้กลับมาเลย แต่กลับแต่กล่าวตามที่เป็นจริงอย่าลืมว่าคําพูดของพระรีเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เป็นคําพูดที่เป็นไปเพื่อยกเพื่อขมเพื่อเบียดเบียนเพื่อหักเพื่อล้างแบบแบบไม่ใช่ลักษณะของวินโูชนทั้งหลายจะไม่ท่านจะพูดตามสภาวะธรรมนะพูดเป็นการพูดที่ทําให้เข้าใจทราบซึ่งในคุณธรรมของพระาดหันว่าพาดหันเนี่ยท่านเป็นอย่างไรแล้วก็ปกติของกายที่เป็นจริงนั้นเป็น อย่างไรเนี่ยทั้นคําพูดของพารียเจ้าทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่อเครียกว่าศีลกถาพูดให้เกิดศีลสมาธิกถาพูดให้ผู้ฟังนี้เกิดสมาธิปัญญากถาพูดให้ผู้ฟังนั้นเกิดปัญญาที่จะ ก, กําหนดรู้ทุกละสมุทัยและธทำนิโรธให้แจ้งและกะ็ให้เห็นโทษภัยของวัตะให้เห็นคุณของพระอาหารหันต์ทั้งหลายพันพระนาเกษตก็เลยตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตร เปรียบเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยแผ่นดินเหล่าใดเหล่าหนึง่งสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมเที่ยวไปได้อยู่ได้สําเร็จความเป็นไปได้ล้วนแต่ได้อาศัยแผ่นดินขอถวายพระพรสัตว์เหล่านั้นมีอํานาจหรือความเป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือพวกเราอยู่บนแผ่นดินใช่ไหมคุมแผ่นดินได้ไหมนะหาไม่ได้พระคุณเจ้าพระเจ้ า, าก็เรีว่าเจ้าแผ่นดินยังดูแลแผ่นดินไม่ได้มีเจ้าหนด ที่เรียกว่ามีโฉนดเจ้าของผืนดินทั้งหลายแปลงแต่ไม่ได้มีอํานาจอะไรในแผ่นดินจริงอยู่อาศัยแผ่นดินอยู่ที่แผ่นดินแต่ว่าไม่ได้เป็นใหญ่อะไรเหนือแผ่นดินเลยนีน่นะโดยธรรมดานะใหญ่ใหญ่ในตัวดินจริงๆไม่มีใครเป็นใหญ่จริงขอถวายพระพรมหาบาพิษอุปมาชั้นใดอุปมาอก็ชั้นนั้นจิตของพระทหารอาศัยกายเป็นไปแต่ว่าพระทหารหามีอํานาจหรือความเป็นใหญ่ในกาย ไ, ไม่จิตนี้อาศัยกายนะเกิดขึ้นคําว่ากายในที่นี้จกักขูก็เป็นกายอย่างหนึ่งโซต า, านาะชิวหากายยะมหาปูตรูปปทวีอาโปเตโชวายโยสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นกายจิตทั้งหลายของท่านอาศัยกายอยู่จิตไม่ได้เป็นใหญ่เหนือกายเลยไม่ได้มีอํานาจเหนือกายแต่จิตอาจจะเป็นใหญ่เหนือกายกรรมมจีกรรมและมะโนกรรมซึ่งเป็นกายะทว่า อ, อ, อ, อะไรเรียกทวานมันมีเรียกว่าทวานกรรม ทวารที่รับผลของกรรมกับทวารการทํากรรมท่านเป็นใหญ่ในก า, ยานรยัทวารจริงทวารที่กายกรรมอ่ะนะท่านเป็นใหญ่ในวจีกรรมจริงเป็นใหญ่ในมนโนกรรมจริงแต่ไม่ได้เป็นใหญ่ในทางตาหูจมกูกเล้นหรือร่างกายเรียกว่าแยกในส่วนประสาสัมผัสท่านไม่ได้เป็นใหญ่ในส่วนของประสาสัมผัสแต่ท่านเป็นใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการอบรมคุณธรรมที่อยู่ในใจคุณธรรมที่ท่านพอกพูนจนได้สําเร็จอรหัตผลอันนั้นอ่ะท่านเป็นใหญ่ คุณธรรมคืออริยมรรคอริยพจน์ศีลสมาธิปัญญาอันนัคุณธรรมเหล่านั้นใหญ่จริงแต่ว่ากายนี่มีอะไรเป็นสมุทฐานกายก็มีอาหารเป็นสมุทฐานมีตูวเป็นอุตตูเป็นสมุทฐานมีอาหารเป็นสมุทฐานมีกรรมเป็นสมุทฐานไอ้ส่วนที่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตตรูปเหล่านั้นมันก็ยังเนื่องกับสมุทฐานเหล่าอื่นๆไม่ใช่ว่ามันจะเก่งแล้วแต่จิตไปหมดเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ถ้าคนเอนขาดเนี่ยทังจิตจะแข็งขนาดไหนมันก็ยกมือไม่ขึ้น นนะเพราะว่ามันเนื่องด้วยสมุทฐานอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากาผ่าหันจิตของท่านท่านเป็นใหญ่ท่านฝึกสำเร็จแล้วก็จริงแต่ท่านไม่ได้เป็นใหญ่ในร่างกายเลยพระขุนเจ้าเพรา ะ, ะ, ะ, ะเหตุไรปุตุชนจึงเสวยเวทนาทางกายได้และทำไมะ่าหานจึงคือทำไมปุตุชนเนี่ยจึงต้องเสวยทุกทางกายและทางใจทาไมยังต้องเจ็บทั้งกายและเจ็บทั้ง ใจเขาเรียกว่าถ้าหากว่าเราเจ็บกายทีหนึ่งมันเจ็บใจด้วยนะมันบวกใจเข้าไปทุกครั้งเลยเหมือแบบนกันนะ่ะทาไมมันเป็นอย่างงั้นะคําตอบที่ตรงตัวก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษปุถุชนเสวยเวทนาทางกายก็ได้เวทนาตัวนี้แปลว่าความเจ็บปวดเนี่ยนะถ้าเวทนาปกติสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อุเบกขาก็ได้แต่ตรงนี้รู้กันว่าความเจ็บปวดทางกายและทางใจพะะนันปุถุชนนั้นเจ็บทางกายเจ็บใจก็ได้เพราะไม่ได้อบรมจิต กายเนี่ยไปฝึกให้มันเป็นอะไรมันก็ฝึกแล้วไม่สําเร็จใช่ไหมกายเนี่ยฝึกโยคะจนสําเร็จเลิกตาได้ไหมไม่ได้ไปฝึกไร้กระบี่รากระบองไปฝึกต่อสู้วิชาวยิงปืนไว้ปืนไกลปืนแม่นสารพัดทุกอย่างที่จะทําแล้วแก้ปัญหาอะไรได้ไหมฝึกกายนะฝึกให้สําเร็จฝึกยังไงก็ตายแต่ถ้าฝึกอบรมจิตแต่ปุตุชนนั้นควรจะฝึกจิตคือคือเรื่องจริงๆเนี่ยมันควรฝึกจิตใช่ไหมแต่เน้นไปฝึกกาย ฝึกกายเนี่ยโหวิชาลงนลงสมัครเยอะนะฝึกกายเนี่ยแต่ถ้าลงฝึ ก, ฝ, กฝึกจิตเนี่ยนะฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ไม่เอาไม่ยอมฝึกแต่ถามว่าทำทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อใจแต่ไม่ยอมฝึกใจเนี่ยนะพันปุตชชนทั้งหลายไม่ได้ฝึกอ บ, บรมจิต ด, ด้วยสิขาสามตัวที่บ่มจิตอ บ, บรมจิตเรียกว่าภาวนาเนี่ยนะ สิจิตเนี่ยต้องภาวนาให้ศีลเติบโตขึ้นให้สมถะวิปัสนาเพิ่มพูนเติบโตขึ้นให้โพธิโพธิ ป, ปัจจะธรรมเนี่ยเติบโตขึ้นในใจถ้าคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจได้เรียกว่าคนอบรมจิตถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เลยก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่ได้อบรมจิตขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าโคที่หิวอยู่โคที่อยากกินอยู่ถูกเขาผูกติดเอาไว้ที่กอหญ้าเล็กๆ อันไม่มีกําลัง น, นะอุปมาณนี่คนเลี้ยงโคเข้าใจง่ายกฎหมายก็ว่าเขาเชือกนี่ผูกที่จมูกโคใช่ไหมผูกที่จมูกโคเนี่ยแล้วก็ไปมัดไว้ที่กอหญ้าที่มันแบบแม้เด็กก็ถอนขึ้นอะ่ะแล้วไปมัดไว้อย่างนั้นอ่ะนะเขาบอกว่าเป็นหญ้าที่ไม่มีกําลังอ่อนกําลังหรือเถาวันเล็กน้อยเนี่ยนะเวลาใดโคตัวนั้นกําเริบหงดหงิดขึ้นมาเวลานั้นมันจะหลีกไปพร้อมกับสิ่งที่ผูกติดฉันใด เข้ามาในแทบจะถูกตีประจำก็พอยไปผูกกับกอหญ้านี่แหละแล้วมันก็กระชากอากอหญ้าไปด้วยมันก็ไปกินข้าวชาวบ้านเข้านี่โอ้เดือดร้อนอีกแล้วอัะนะั้นบอกว่าเมื่อฉันใดอ่ะนนะันขอถวายพระพรเวทนาของปุตชนผู้ไม่ได้อบรมจิตไม่ได้ฝึกจิตเกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตให้กำเริบจิตที่กำเริบย่อมตัดย่อมบิดซึ่งกายอนนะเพราะไม่ได้อบรมจิตใช่ไหมมันฟุ้งได้ไหม โศกได้ไหมเครียดได้ไหมหงุดหงิดได้ไหมไม่พอใจได้ไหมฟุ้งซ่านเป็นนนได้ไหมมันเมื่อจิตมันมีปัญหากรรมเริกเท่าใดเนี่ยจิตที่กรรมเริกก็ไปดัดกายสิมันไปทําในส่วนจิตต่รูปมันไปบิดจิตแต่รูปจิตแต่รูปมันก็พาเอารูปอื่นๆเนี่ยรวนไปหมดเพราะฉะนั้นก็บิดกายทํากายให้แปรปรวนไปเนี่ยทำกายให้เป็นอย่างอื่นไปได้อย่างเช่นเนี่ยนะอย่างกลมกลมในร่างกายอาการเกร็งทั้งหลายมีอะไรเป็นสมดทาน โดยมากมีจิตเป็นสมุทฐานอาการเกร็งนะเกร็งตามกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการเหยียดการคลายการผ่อนการคลายมันมีจิตเป็นสมุทฐานเสียส่วนใหญ่เมื่อมีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยถ้าจิตมีปัญหาล่ะไอภาวะตัวนั้นเนี่ยนะภาวะตัวนั้นมันก็เป็นไปตามอํานาจจิตเนี่ยเรียกว่าจิตตปริวัติโน่เนี่ยทำที่มันก็หมุนไปตามจิตอ่ะนะเพราะจิตต ะ, ะรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่หมุนไปตาม จิตเมื่อหมุนไปตามจิตมันก็บิดมันก็พาบิดส ม, มุทฐานอื่นๆพาบิดอะไรบิดกรรมมส ม, มุทฐานบิดอุตุส ม, มุทฐานและบิดจิตตะส ม, มุทฐานนั้นพาบิดไปหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นปุตุชนผู้มีจิตไม่ได้อ บ, บรมก็สะดุ้งกลัวจึงร้องส่งเสียงดังน่ากลัวยามที่ยามที่เจ็บปวดจริงๆเฮ้มันก็บิดยิ่งบิดก็ยิ่งเจ็บยิ่งทุกข์ขอถวายพระพรนี้คือเหตุ คือเรื่องที่ทําให้ปุตุชนเสวยเวทนาทางกายก็ได้สเสวยเวทนาทางใจก็ได้เจ็บทางกายแล้วก็เจ็บใจเจ็บใจเสร็จแล้วก็ไปเ จ, จ็บกายนะเจ็บกายเสร็จแล้วก็เจ็บใจต่อมันก็เป็นอย่างเงี้ยตอนแรกก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างมากระทบกายแล้วก็เจ็บใจใช่เจ็บใจซชมันก็รวนพาร่างกายเสียหายร่างกายมีปัญหาก็มาเจ็บใจอีกแล้เจ็บใจเสร็จมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยนะทุกกายทุกใจทุกกายทุกใจทุกกายทุกใจในที่สุดก็ ทิ้งกายนี้ถือเอากายใหม่มาเจ็บปวดต่อเนี่ยนะก็เรียกว่าเปลี่ยนความเจ็บปวดไปเรื่อยๆเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้ามิลินก็ถามว่าก็เหตุอะไรเล่าที่ทำให้พลาดหันเสวยเวทนาอย่างเดียวคือมีแต่ทุกทางกายอย่างเดียวไม่ได้มีความทุกขทางใจเลยไม่เจ็บใจเลยน่ยนะ ขอถวายพระพรมหาบาพิษจิตของพระอรหันเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ได้อบรมแล้วฝึกแล้วด้วยศีลด้วยสมถะด้วยวิปัสนาฝึกด้วยโสดาปฏิมักสกาธาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักได้อบรมดีแล้วด้วยอรหัตตมักเนี่ยนะเมื่อฝึกดีแล้วอบรมดีแล้วจึงทําได้ตามที่พูดเป็นเนธเฮ hey! พระอรหันนั้นเมื่อทุกขเวทนากระทบเอาก็ไม่ถือมั่นเวทนานั้นว่าเป็นของเที่ยง ท, Being, ic, ท่านไม like, ่เคยสําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นของเที่ยงเลยเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท่านไม่เคยถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นสุขเป็นอัตตาเป็นสุภาพเป็นต้นท่านไม่เคยเข้าใจผิดเลยเมื่อท่านไม่เคยเข้าใจผิดเนี่ยรูปเวทนาเหล่าได้มันแสดงตัวของมันตามเป็นจริงเนี่ยท่านจะลําบากใจไหม คนที่เข้าใจความจริงเนี่ยนะอย่างเขาจะไปเดือดร้อนกับการเข้าใจความจริงเหล่านั้นไหมก็บอกไม่เพราะอะไรเพ ร, ะเพราะท่านไม่ได้ถือด้วยไม่ได้ปกติเนี่ยคนที่ยึดถือเนี่ยถือว่าอะไรถือว่าเที่ยงคนที่เจ็บกายเจ็บใจจริงๆเนี่ยนะโดยเฉพาะเจ็บใจเนี่ยเมื่อถือสิ่งใดว่าเที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะสบายใจไหมเมื่อถือสิ่งใดยึดว่าสิ่งใดเป็นสุขแล้วสิ่งนั้นมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ล่ะ ก็เดือดร้อนอีกแล้วเมื่อสิ่งใดที่ตัวเองคิดว่างามเมื่อมันไม่งามอย่างที่ตัวเองคิดล่ะมันไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดแหละคาว่างามแล้ว่าดีเนี่ยนะมันไม่ดีอย่างที่เราคิดอ่ะอย่างเช่นบอกโอ้ไปซื้อซื้อของมาแบบไหนเขาโฆษณาว่าดีเหลือเกินนั่นแหละสุภาพเขดีเหลือเกินแล้วมันไม่ดีอย่างที่เราคิดเนี่ยถามว่าเรามีความสุขไหมเพราะเราไปคิดว่ามันดีเข้ามันก็เลยมีคําว่าเสียตามมาด้วยแต่แท้จริงว่าอของมันเสียเป็นเป็นธรรมดาตั้งแต่แรกเลยนะ ไปซื้อของเสียหายมาใช้ไปซื้อของที่ซอกต้องซ่องต้องมั่รุงต้องรักษาถ้าฟังอย่างนี้เข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้ตั้งแต่แรกยังไม่เดือดร้อนอะไรเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคําว่าธรรมดาเนี่ยก็คือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยตัณหามานะและทิฏฐิไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยความวิปลาสเลยเกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจอย่างสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เั้นท่านใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะ ท่านไม่ได้ถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของอัตตาเป็นของที่ดีและ ง, งดงามอะไรอย่างที่ปุถุชนทั้งหลายเข้าใจผิดๆเลยท่านท่านถือตามเป็นจริงมันจริงยังไงท่านก็เห็นอย่างนั้นมันเมื่อท่านเห็นอย่างตามเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยนะเวลาใดท่านก็ผูกจิตไว้ที่เสาคือสมาธิ คือแทนที่จะปล่อยให้จิตไปแหมไปแหมรู้สึกกับความเจ็บปวดท่านมีสมาธิเนะท่านมีท่านมีสิกขานะคนมีศิกขาเขาก็ใช้สิกขาสิใช่ไหมก็เจริญสิกขาให้ศิกขาเกิดขึ้นสัจจิตของท่านที่ผูกไว้ที่เสาคือสมาธินั้นย่อมไม่คลอนแคลนไม่สั่นไหวเป็นธรรมชาติที่ตั้งอยู่ไม่สั่ดสายหมายคก็ว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นท่านเข้าปฐมฌานทุติยฌ า, าน ต, ตัตยฌ า, านแล้ว จตุทชานขณะนั้นเนี่ยท่านไม่ได้มีเวทนาเป็นอารมณ์ไม่มีเวทนาเป็นอารมณะปัจจัยกายจะเจ็บจะปวดมันจะเมื่อยยังไงก็เป็นไปเรื่องของกายไปแต่ท่านเข้าอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเข้าปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานดีไม่ดีเข้าปฐมฌานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เข้าทุติยฌานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เข้าจตุทชานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ฌานสี่มีนิพพานเป็นอารมณ์แม่ มันก็ลืมความเจ็บปวดตั้งตั้งแต่ไหนแต่ายแล้วหมดสิ้นซึ่งความเจ็บปวดท่านก็เลยไม่คลอนแคลนไม่สันไหวธรรมชาติจิตของท่านไม่สับสายเพราะความแผ่ไปแห่งวิการของทุกขเวทนานั้นกายของท่านย่อมคดไปบิดไปหรือแปรปลวนไปก็จรงิงขอถวายพระพรในเรื่องนี้ น, นะกายจะบิดไปแต่ใจของท่านไม่ได้บิดไปด้วยไม่ได้เจ็บไปด้วยเจ็บแต่กายแต่ไม่ได้ เจ็บใจเนี่ยนะขอถวายพระพรนี้เป็นเหตุในเรื่องนี้ซึ่งเป็น จ, จัดเป็นเหตุที่ทําให้พาถันเสวยเวทนาอย่างเดียวคือทางกายไม่ได้เสวยเวทนาทางใจเนี่ยพาถันบางองเนี่ยนะท่านเจ็บปวดมากเลยนะกรรมเก่ามันเป็นปัจจัยให้ท่าน น, ะนั่งอยู่ใเฉยๆที่มันเจ็บปวดบิดจนแต่ท่านเนี่ยแทบจะเข้าฌานสี่อยู่แล้วนะนะท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันบิดมันก็บิดไปเนี่ยนะถ้าเราคิดอีกมนหนึ่งเนี่ยนะ คนที่ร้องรำเต้นรำยังไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนกับกิริยาอาการที่เต้นรำอ่ะคนที่ฝึกจิตออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะความเป็นไปทางร่างกายจะทำให้ท่านเดือดร้อนไหมพระเจ้ามิเรียนบอกพระกุณเจ้าข้อที่ว่าเมื่อกายวันไหวแต่จิตกลับไม่วันไหวนี้ชื่อว่าเป็นข้อที่น่าอัศจ ร, รย์ในโลกขอท่านจงบอกเหตุผลในเรื่องนั้นแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดคือมันเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยนะกายวันไหวแต่ใจไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเอ้มันเป็นไปได้ยังไง เรียกว่าเป็นจิตที่ถูกโลกกระทําแปดครอบงําถูกต้องแล้วย่อมเป็นจิตที่ไม่หวันไหวเนี่ยนะไม่วันไหวด้วยอภิชาและโทมนัตเนี่ยมันเหตุผลเรื่องนี้มันมันสําคัญมากเลยนะมันทําได้นะโดยเฉพาะคนอายุมากๆเนี่ยต้องรีบฝึกไอ้ถ้ามันร่างกายเราเนี่ยมันจะสบายขึ้นทุกวันเลยไหมบอกไม่มันจะเจ็บจะเจ็บไปเรื่อยมันจะเมื่อยไปเรื่อยมันจะปวดไปเรื่อยแล้วถ้าเราใจบิดไปตามกายอะไรจะเกิดขึ้น อนนี้ทุกข์ร้อนแน่นอนเดือดร้อนแน่นอนถ้าคิดถึงแต่ความเจ็บปวดมีความเจ็บปวดไปอารมณ์สวรรค์แน่นอนเลยใช่ไหมสวรรค์แน่นอนเลยนะพราะคิดถึงความเจ็บปวดแล้วตายกันนะโอ้ยถ้าเป็นมนุษย์ได้คืนก็บุญหนักนาแล้วแต่ท่าจะยากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคิดถึงความเจ็บปวดโดยมากคิดถึงเรื่จิตทิ้งไหนถ้าคนที่ฝึกจิตไม่ดีไม่ได้เจริญเวทนานุปัสนามาอย่างดีเนี่ยนะไม่เจริญเวทนานุปัสนามาอย่างดีเนี่ยเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นโดยมากเป็น โทสะเมื่อเป็นโทสะจะไปไหนใช่ไหมเพราะพระอาหารหัน์นั้นท่านบอกอุปมาว่าขอถวะพระพรมหาบาพิษเมื่อต้นไม้ต้นใหญ่โตอันสมบูรณ์ด้วยลำต้นกิ่งและใบถูกกําลังลมกระหน่ากิ่งก็ย่อมสั่นหวั่นไว้ลำต้นไม้นั้นก็ย่อมสั่นด้วยหรือหนอต้นไม้ชนิดใหญ่จริงๆแก่งจริงๆที่ลมธรรมดาทั่วๆไปพัดเอามาเนี่ยนะมาพัดใส่เนี่ยนะ ใบเนี่ยไหวไหมไหวกิ่งไหวไหมไหวลําต้นสะเทือนเลยใช่ไหมหาไม่ได้พระคุณเจ้าต้นไม่ได้สะเทือนอะไรไปตามเหมือนกิ่งเช่นใบเลยขอถวายพระพอรอุปมาฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นเหมือนการท่าอาหารเนี่ยพอถูกทุกขเวทนากระทบเอาก็ย่อมถือว่าไม่เที่ยงคือท่านเจรรดาโนปสนาตั้งไว้เลยว่ามันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันเป็น อนัตตาอยู่แล้วอนิจจังทุกขังและวความจริงของมันเมื่ อ, อไรอย่างไรที่ไหนมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่ปุทุชนคนพานคิดกันไว้เลยมันไม่ได้เป็นของที่ดีจริงอะไรเลยเมื่อปรากฏการที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นมาท่านก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยท่านท่านอเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ฝากใจว่าท่านจะสแสวงหาความสุขจาก รูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่าวิญญาณเหล่านั้นท่านไม่เคยฝากความหวังไว้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยตันหามานะทิฐิเหล่าใดเนี่ยนะเมื่ออย่างก็เหมือนกับว่าอย่างมันมีรถหลายคันตอนนี้รถมีรถประสบอุบัติเหตุอยู่มากมีไหมขณะนี้นะมีไหมทั่วโลกมีไหมทำไมเรานั่งสบายๆ ย, ย, ยินเย็นย่ใส่ เพราะเราไม่คิดว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่ได้ยึดถือว่าคันนั้นคันคันเป็นคันของเราคันนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ในในความคิดของเราที่จะไปผูกพันและอาวรณ์ขนาดนี้นะเราหายใจเข้าคนก็ตายหายใจออกคนก็ตายทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกคนก็ตายทั่วโลกนะฮะพันล้านเนี่ยตายทุกวินาทีแหละเมื่อตายทุกวินาทีมีใครนั่งร้องไห้บ้างไหมน้อยเต็มทีสาเหตุผลทําไมก็เพราะเราไม่ได้ไปยึดถือสําคัญว่าเป็น เป็นเราเป็นของเราหรือไปไปผูกพันไปยึดติดในในสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่เราไม่ยึดพันผูกพันยึดติดเนี่ยนะถ้าเอาสิ่งนั้นออกเราจะเดือดร้อนใจไหมไม่เดือดร้อนแม้กระทั่งในร่างกายของเราเอาเอาส่วนที่สุดแม้กระทั่งในร่างกายของเรานะถ้าเราคิดว่าสิ่งใดเลวร้ายและสิ่งนั้นมันแปรไปเราก็ไม่ไม่แหมมันออกไปซะได้ก็ดีหมดซะได้หมดเรื่องหมดราวอะไรคล้ายๆแบบเนี้นะเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ ท่านพระอรหันต์เนี่ยเมื่อท่านเจ็บปวดทุกท่านก็เข้าอะไรเจริญเข้าปฐมฌานทุทาา ต, ติยฌานตัติยฌานเป็นต้นหรือเจริญอนุปัสนาเข้าพระสมาบัติหรือเข้านิโรธสมาบัติเข้าอะไรก็ได้ที่ท่านปรารถนาท่านจะอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่าใดก็ได้ตามแต่ท่านปรารถนาเพราะท่านผูกจิตไว้ที่เสาคือสมาธิเนี่ยนะก็คือปฐมฌานทุทาาตทิยฌานตัติยฌานและจตุทฌานแต่ปัญหาว่าท่านทํากิจใน อริยศัสตร์แล้วเนี่ยนะจิตของท่านผูกไว้ที่เสาคือสมาธิไม่คลอนแคลนไม่สั่นไห้เป็นธรรมชาติตั้งอยู่ไม่สั่ดซายเพราะความแผ่ไปแห่งวิการของเวทนากายของท่านก็คตไปบิดไปแปรปลวนไปแต่จิตของท่านย่อมไม่คลอนแคลนไม่สั่นไห้เหมือนลำต้นแห่งต้นม้าใหญ่ฉะนั้น ้าะเจ้ามิรินเขาบอกว่าหน้าอาศัศจริงพระคุนเจ้าหน้ากระเซ็นหน้าแปลกเกิงพระขุนเจ้าหน้ากระเซ็นข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นประทีปส่องธรรมได้ตลอดการทั้งปวงเช่นนี้มาก่อนเลยนะเขาเรียกว่าเป็นปร ะ, ประทีปคือปร ะ, ประทีปแสงสว่างที่ส่องให้เห็นธรรมเน่ยนะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเหมือนกนมันก็จากข้อความที่อธิบายไปเนี่ยก็ครือว่าเป็นพอที่จะเข้าใจพอสมควรนี่ยนะ มิเรนท้ปัญหาสำหรับครั้งนี้ก็ใช้เวลาแต่เท่านี้ก่อน